กมีสานัมีเนเรยามสียนะดีวอาครับวันนี้พวกเราก็ได้มาร่วมกันทาบุญมาร่วมกันศึกษาพระธรรมคสอนของพระพุทธเจ้าที่มีประเด็นสาคัญ อยู่ประเด็นเดียวก็คือความสงบเพราะความสงบนี่คือความสุขที่แท้จริงพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้พวกเราร่ำรวยไม่ได้สอนให้พวกเราเป็นใหญ่เป็นโตไม่ได้สอนให้พวกเรามีคนนับหน้าถือตาแต่สอนให้พวกเรามีความสุขใจ การที่เราจะมีความสุขใจได้เราต้องควบคุมใจเพราะใจเป็นเหมือนรถยนต์ที่วิ่งลงภูเขาถ้าไม่มีเบรกคอยคอยหยุดรถรถก็จะวิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วเวลามาถึงที่จะต้องชะลอหรือหยุดถ้าไม่มีเบรกก็จะชะลอไม่ได้ จะหยุดไม่ได้เช่นมาถึงทางโค้งถ้าไม่มีเบรกก็จะแหกโค้งถ้ามาถึงสี่แยกที่จะต้องจอดต้องหยุดก็จะต้องอฝ่าไฟแดงไปก็จะเกิดอุบัติเหตุต่างๆได้ชีวิตของพวกเราที่มีปัญหากันมีเรื่องวุ่นวายต่างๆนานา ก็เพราะว่าเราไม่สามารถควบคุมจิตใจของเราให้อยู่ในความสงบได้คือเราไม่สามารถหยุดใจของเราได้เวลาที่ควรจะหยุดเพราะเราหยุดไม่ได้ก็เลยเกิดปัญหาต่างๆตามมาเวลาเกิดความโลภเราหยุดความโลภไม่ได้เราก็ไปทำสิ่งต่างๆที่เกิดความเสียหาย เวลาเกิดความโกรธก็เช่นเดียวกันดังนั้นเราต้องพยายามที่จะควบคุมใจของเราหยุดใจของเราให้ได้พราะเวลาที่ใจของเรานิ่งเวลาใจสงบนี้จะมีความสุขอย่างยิ่งจะมีความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลาย ดังที่พระพุทธเจ้าได้สองตัดไว้ว่าลถแห่งธรรมชนะลถแห่งป่วงลถแห่งธรรมนี้ก็หมายถึงความสงบแน่ถ้าได้ความสงบแล้วจะไม่อยากจะได้อะไรแต่ถ้าไม่ได้ความสงบก็อยากจะได้สิ่งต่างๆ ท, ทั้งหลายในโลกนี้อยากร่ำ อ, อยากรวยอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโต อยากให้คนยกย่องสรรเสริญเยืนยออยากไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆแต่ความสุขที่ได้จากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงเพราะเป็นความสุขที่ทําให้เกิดความหิวความต้องการความอยากเพิ่มขึ้นอีกไม่ได้ทําให้เกิดความอิ่มเกิดความพอ เวลาได้สัมผัสก็จะมีความสุขพอผ่านไปความสุขนั้นก็จากหายไปต้องหาใหม่มาอยู่เรื่อยๆและต้องหาเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นเราจรึงต้องมาหาความสงบกันเพราะความสงบนี้เป็นความสุขที่แท้จริง ความสุขที่จะให้ความอิ่มความพอความสุขที่จะทําให้เราไม่ต้องการไม่ต้องการอยากได้อะไรเราสามารถอยู่เฉยๆได้อย่างมีความสุขเราสามารถอยู่แบบคนยากจนได้อย่างไม่เดือดร้อนอย่างพระพุทธเจ้าก็ยอยู่อย่างพระราชกษัตริย์มีทรัพย์ต่างๆมากมาย มีบริษัท์มีบริวารมีฐานะที่สูงสง่งแต่พระองค์ทรงสละความสุขแบบนั่นไปพรทรงเห็นว่ามันไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงแล้วก็ทรงออกบวชไปอยู่ในปานใ่าในเขาไปควบคุมจิตใจให้สงบพอจิตใจสงบแล้ว ก็ไม่เคยคิดที่อยากจะกลับไปอยู่ในพระราชวังอีกต่อไปเพราะว่าได้พบกับความสุขที่แท้จริงได้ความได้พบกับความสุขที่ทำให้เกิดความอิ่มความพอขึ้นมาอันนี้แหละที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาก็คือความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบ เพราะไม่มีความสุขัใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบนั่นเองนัตติสันติปรังสุขขังไม่มีสุขใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบดังนั้นหน้าที่ของชาวพุทธเราก็คือการมา สร้างความสงบกันนี่เองการสงบนี้ก็เป็นเหมือนกับการปลูกต้นไม้ที่มีปัจจัยที่จะส่งเสริมหรือถ่วงไม่ให้ต้นไม้เจริญเติบโตออกดอกออกผลเช่นต้นไม้ปลูกต้นไม้ก็ต้องมีดินดีมีปุ๋ยมีน้ําดีมีการกําจัดวัชพืชต่ตางๆแมลงสัตว์ต่างๆ ที่จะมาคอยกัดกินต้นไม้ถ้ามีการบำรุงรักษาอยู่แลต้นไม้อย่างต่อเนื่องต้นไม้ก็จะเจริญเติบโตและออกดอกออกผลได้อย่างรวดเร็วปัจจัยที่จะเอื้อต่อการทำใจให้สงบนี้ก็มีเหมือนกับปัจจัยที่ใช้ในการ ส่งเสริมการจเจริญติบโตของต้นไม้ปัจจัยที่สำคัญข้อที่หนึ่งก็คือต้องมีสถานที่ที่สงบสงัดวิเวกเรียกว่ากายวิเวกอยู่ห่างไกลจากรูปเสียงกิน่นรสผลิตพรณชนิดต่างๆที่จะมาคอยดึงใจให้ไปวุ่นวาย ไปไปเสกไปหาความสุขที่เป็นความสุขปลอมที่เป็นความสุขที่ทำให้เกิดความไม่สงบถ้าเรามีสถานที่สงบสงบวิเวกการทำจิตให้วิเวกก็จะเป็นไปได้อย่างง่ายดายอยงที่ มีพุทธสุภาษิต ท, ที่ทรงตัดไว้ว่ากายวิเวกจิตวิเวกกายต้องสงบสงัดวิเวกแล้วจิตก็จะสงบสงัดวิเวกถ้าไปอยู่ในสถานที่สงบสงัดวิเวกแล้วใจยังไม่สงบสงัดวิเวกก็จาเป็นจะต้องมีปัจจัยอื่นมาเ อ, อื้อมาสนับสนุนอีกอก็คือ ต้องมีสติสติมาคอยควบคุมความคิดเพราะว่าถึงแม้จะอยู่ในสถานที่สงบสงัดวิเวกไม่มีแสงสีเสียงมาคอยรบกวนใจแล้วแต่ใจถ้ายังไม่มีสติก็เหมือนกับรถที่ไม่มีเบรกรถที่วิ่งลงเขารถจะไม่ยอมจอดเองถ้าไม่ใช้เบรก ใจที่ยังมีความคิดตุงแต่งอยู่ยังอยากกับเรื่องนั่นเรื่องนี้ยังอยากกับสิ่งนั่นสิ่งนี้อยู่ถ้าไม่มีเบรก ค, คือสติมาคอยหยุดใจใจก็จะไม่หยุดใจก็จะคิดไปเรื่อยๆคิดไปแล้วก็จะเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาถ้าไม่ยับยัง้งความอยากก็จะทนอยู่ในสถานที่วิเวกนั้นไม่ได้ ก็จะต้องกลับไปหาสิ่งที่ต้องการอยากถ้าอยากรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องกลับไปหารูปเสียงกลิ่นรสถ้าอยากจะไปทำธุระไปพบคนนั้นพบคนนี้ก็จะต้องกลับไปทำธุระนั้นไปพบคนนั้นคนนี้ต่อดังนั้นถ้าเราได้ไปอยู่ในสถานที่สงบสงัดวิเวกแล้ว ขั้นต่อไปก็คือเราต้องจเจริญสติอย่างต่อเนื่องคอยควบคุมความคิดไม่ให้คิดไปถึงเรื่องราวต่างๆไม่ให้คิดถึงบุคคลต่างๆไม่ให้คิดถึงแสงสีเสียงไม่ให้คิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสพธฏาภะชนิดต่างๆวิธีที่จะทำให้จิตไม่คิดก็ต้องหางานให้จิตทำเช่นให้จิตบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆ ถ้าบริการพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆจิตก็จะไม่สามารถคิดเรื่องต่างๆได้หรือถ้าบริการพุโทโธไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนก็ได้สวดมนต์ไปเรื่อยๆไม่จำเป็นว่าจะอยู่ในอระยะบทใดทำอะไรถ้าไม่ต้องใช้ความคิดกับการทำงานก็ให้สวดมนต์ไปภายในใจจะสวดบทสั้นก็ได้บทยาวก็ได้ ลางท่านก็ใช้พุทธังสวรนามกาฉามิธรรมังสวรนามกาฉามิสังฆังสวรนามกาฉามิก็สวดไปซ้ำไปซ้ำมากลับไปกลับมาเพื่อที่จะให้จิตมีงานทำเพื่อให้ไม่ให้จิตไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าจิตไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้จิตก็จะค่อยเย็นลงค่อยสงบลงแล้วก็ลา มานั่งสมาธิแม่นั่งหลับตาจะสวดมนต์ต่อไปก็ได้หรือจะถ้าไม่อยากจะสวดคือสวดมาแล้วเมื่อยเหนื่อยอยากจะหยุดสวดก็ดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ดูที่ปลายจมูกลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ไม่ต้องตามลมเข้าไปไม่ต้องตามลมออกมาให้อยู่จุดเดียวก็จิต ถ้เข้าตามลมเข้าออกจิตก็จะไม่นิ่งจิตจะนิ่งจะสงบได้จะต้องอยู่ที่จุดเดียวเฝ้าดูตรงจุดที่ลมสัมผัสเข้าออกลมจะละเอียดหรือหยาบ ก, ก็ให้รู้ตามความเป็นจริงลมจะหายไปก็ให้รู้ว่าหายไปอย่าไปเกิดความวิตกวิจารขึ้นมาว่าลมไม่มีแล้วเราจะตายหรือเปล่าถ้าตามใดมีสติรู้อยู่ ไม่มีวันตายการที่เราไม่สามารถรู้ดมได้ไม่ได้หมายความว่าลมหยุดหายไปการหายใจอาจจะช้าลงนานๆอาจจะหายหายใจสักครั้งหนึ่งอันนี้ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะถ้าเรากลัวคิดว่าไม่มีลมแล้วเราจะตายเราก็จะเลิกภาวนาพอเราเลิกภาวนาเราก็จะไม่สามารถ ไปถึงจุดหมายที่เราต้องการไปได้ก็คือการความสงบของใจการรวมของใจเป็นหนึ่งเรียกว่าเอกขตารลมสัคตะวารุเป็นอุเบกขานี่คือเรื่องของการทําใจให้สงบเราจําเป็นจะต้องติ้วเว้ยจำเป็นจะต้องอยู่คนเดียวไม่คุคคีกันไม่อยู่กันหลายคนไม่ พอเวลาอยู่ด้วยกันหลายคนแล้วก็จะอดที่จะคุยกันไม่ได้เวลาคุยกันก็ต้องใช้ความคิดพอยิ่งคุยก็ยิ่งคิดก็ยิ่งคงสร้างขึ้นมาอย่และบางครั้งคุยกันไปคุยกันมาก็อาจจะทะเลาะวิวาทกันก็ได้เพราะคุยกันแล้วไม่สบอารมณ์ดังนั้นเมื่อไปอยู่ในสถานที่วิเวกแล้วก็ต้องไม่คุกคีกัน ต่างคนต่างอยู่เวลามีความจำเป็นที่จะต้องมาทำกิจร่วมกันก็ต่างคนต่างทำต่างคนมีสติเฝ้าดูกิจที่ตนเองกำลังทำอยู่ไม่ไปสนใจกับเรื่องของคนอื่นไม่คุยกันนี่เป็นการรักษาสติควบคุมความคิดไว้ตลอดเวลาสตินี่เป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างมาก อย่างยิ่งทีเดียวเพราะพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสตินี้มีความยิ่งใหญ่เหมือนกับรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างนี้จะเป็นรอยเท้าที่ใหญ่กว่ารอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายที่คือความสําคัญของสติมีความสําคัญยิ่งกว่าธรรมทั้งหลายถึง แ, แม้ว่าสติเองนั้นไม่สามารถที่จ ะ, ะทําลายกิเลส ต, ตัณหา ไม่สามารถที่จะทําใหอ้อบรรลุมรรคผลนิพพานได้ก็ตามแต่ทําอื่นๆที่จะทําให้เกิดมรรคผลนิพพานขึ้นมาได้ก็จําเป็นจะต้องมีสติเป็นผู้ อ, อทําให้เกิดขึ้นมาก่อนเช่นสมาธิและปัญญาถ้าไม่มีสติแล้วนั่งสมาธิไปไม่ว่าจะนานสักเท่าไหร่ก็จะไม่ได้ผล แล้วถ้าไม่มีสมาธิแล้วจะพิจารณาทางปัญญาจะฟังเทศทางธรรมมามากน้อยเพียงไรก็ตาม<ะ>ก็จะไม่เป็นปัญญาจะไม่สามารถนำมาทำลายกิเลสตัณหาที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ที่เป็นต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างนั้นเราจึงต้องเจริญสติอย่างต่อเนื่อง อันนี้เป็นหัวใจของการปฏิบัติเลยถ้าไม่มีสติแล้วก็อย่าไปปฏิบัติให้เสียเวลานั่งสมาธิไปใจก็จะรอยคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้นังงนน่งไปได้ไม่นานก็จะทนนั่งต่อไปไม่ได้เพราะเกิดความอยากอยากจะไปทำสิ่งนั้นอยากจะไปทำสิ่งนี้อยากจะไปพบคนนั้นคนนี้อยากจะไปดื่มอยากจะไปรับประทาน นั่งก็จะรู้สึกปวดอัดรู้สึกเครียดขึ้นมาก็จะทนนั่งต่อไปไม่ได้แล้วก็จะไม่อยากนั่งก็นั่งทีไรก็ไม่เกิดผลสักทีก็เลยไปโทษไปโทษว่าบุญน้อยไปบ้างหรือกรรมฐานไม่ถูกจริตบ้างนั่งแล้วไม่เกิดผลความจริง สิ่งที่เป็นปัญหาก็คือสตินี่เองไม่มีสติไม่มีกําลังที่จะหยุดความคิดปรุงแต่งของตนไม่มีกําลังที่จะให้จิตบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆหรือสวดมนต์ไปเรื่อยๆหรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปเรื่อยๆการกระทําของร่างกายนี่คือวิธีที่เราใช้สร้างสติจะบริกรรมพุทโธก็ได้ จะเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้จดจอดรรอออ่อเฝ้าดูกับการกระทําของร่างกายไม่ว่ากําลังทําอะไรอยู่ก็ให้อยู่กับเฝ้าดูกับการกระทําของร่างกายเท่านั้นไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เช่นกําลังอาบน้ํ า, นนา <Yes. S 1> ก็ให้อยู่กับการอาบน้ํากําลังล้างหน้าก็ให้อยู่กับการล้างหน้าหวีผมก็อยู่กับการหวีผมแปรงฟันก็อยู่กับการแปรงฟันทําอะไรก็ตามให้ใจเฝ้า ดูการกระทำของร่างกายเหมือนเหมือนเป็นยามเฝ้านักโทษไม่ให้คลาดไปจากสายตาอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการเจริญสติในรูปแบบหนึ่งอีกรูปแบบหนึ่งก็คือบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือสวดมนต์ไปภายในใจจะสวดบทสั้นก็ได้สวดบทยาวก็ได้สุดแท้แต่ว่าจะชอบแบบไหน ก็ทำแบบนั้นไปถ้าเราสามารถควบคุมจิตไม่ให้คิดตรงแต่งได้เวลานั่งสมาธิจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วภายในห้านาทีสิบนาทีจิตก็จะรวมได้นี่คื อ, อความสำคัญของสติผู้ที่ต้องการจะนั่งสมาธิเพื่อให้เกิดผลจึงจำเป็นจะต้องเจริญสติอย่างต่อเนื่อง ต้องเจริญตั้งแต่ตื่นจนหลับและการที่จะเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องก็ต้องอยู่คนเดียวต้องอยู่ในสถานที่สงบสงัดวิเวกถ้าอยู่ในสถานที่ที่มีสิ่งต่างๆคอยรบกวนใจจะไม่สามารถรักษาสติได้เพราะจะถูกสิ่งต่างๆฉุดลากไปฉุดกให้จิตไปวิภาควิจาร์กับสิ่งต่างๆที่มา ลบกวนใจเช่นเมื่อกี้มีเสียงเข้ามาเราก็จะไม่สามารถตั้งสติอยู่กับการฟังเทศฟังธรรมได้พอเสียงเข้ามาเสียงมันดังมันก็เลยมากบเสียงธรรมเราก็ต้องไปฟังเสียงนั้นแล้วก็เกิดการวิภาควิจาร์ขึ้นม า, เ, ากเกิดอารมณ์ขึ้นมานี่คือเหตุปัจจัยที่จะเอื้อต่อการเจริญ ความสุขคือสันติสุขที่เกิดจากความสงบของใจต้องเจริญสติตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่มีเวลาใดที่เราไม่รักษาจิตไม่มีเวลาใดที่เราไม่เจริญสติถ้าเราทําได้แล้วรับรองได้ว่าเวลานั่งสมาธิจะสงบได้อย่างรวดเร็วและเวลาจิตมีความสงบแล้วก็จะมีกําลังที่จะใช้ปัญญา ต่อสู้กับความอยากต่างๆได้เพราะความอยากนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้จิตใจไม่สงบพอไม่มีความอยากแล้วจิตใจก็จะสงบโดยธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิโดยที่ไม่ต้องควบคุมจิตด้วยด้วยสติแต่อย่างใดพอไม่มีความอยากแล้วก็จะไม่มีความคิดตุ่แต่ถ้าคิดก็ไม่ได้คิดด้วยด้วยความอยากคิดด้วยเหตุด้วยผล ถ้าคิดด้วยเหตุด้วยผลก็ไม่ฟุ้งซ่านและไม่ไม่เลื่อยเปื่อยคิดเท่าที่จำเป็นเวลามีความจำเป็นจะต้องคิดก็คิดพอหมดความจำเป็นแล้วก็หยุดคิดเพราะไม่มีความอยากจิตก็จะมีความสงบอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องเจริญสติไม่ต้องเข้าสมาธิไม่ต้องเจริญปัญญาเพราะจิตได้กลับสู่ คามเป็นตัวของตัวเองกลับสู่ธรรมชาติของตนแล้วกลับสู่ความบริสุทธิ์ของจิตปราศจากความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆจิตของพระพุทธเจ้ากับของป้าอลันทั้งหลายจึงไม่ต้องปฏิบัติธรรมอีกต่อไปไม่ต้องเจริญสติไม่ต้องนั่งสมาธิไม่ต้องเจริญปัญญาเพราะว่าปัญหาได้ถูกแก้แล้ว ปัญหาก็คือความอยากที่ทำให้จิตวุ่นวายสายแสเพราะพุ่งสร้างได้ถูกทาลายไปหมดแล้วพอตันหาความอยากถูกทาลายไปหมดแล้วจิตก็จะสงบเป็นปกติไม่ต้องทำอะไรจิตจะไม่มีวันที่จะพุ่งสร้างอีกต่อไปเหมือนกับคนไข้ที่ได้รับการรักษา ได้รับได้รับประทานยาเข้าไปทำลายเชื้อโรคที่ทำให้เกิดโครคภัยไข้เจ็บพอไม่มีโครคภัยไข้เจ็บแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องรับประทานยาต่อไปธรรมะที่เราปฏิบัติกันเช่นทานศีล ส, สติสมาธิปัญญาอันนี้ก็เป็นเหมือนยารักษาโรคใจโรคใจคือโรคคืออะไรก็คือความทุกข์ ความวุ่นวายใจความฟุ้งซ่านความเครียดความวิตกกังวลความว้าวุ่นขุนมัวความเศร้าส้อยโหยเงาความเศร้าโศกเสียใจที่เกิดจากความอยากต่างๆพอความอยากต่างๆถูกทำลายไปหมดแล้วความทุกข์เหล่านี้ก็จะไม่มีหลงเหลืออยู่ภายในใจใจก็จะอยู่ในความสงบไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุด ใจก็จะเป็นปรมังสุขขมมีแต่ความสุขอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือหัวใจของพระพุทธศาสนาเป้าหมายของการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการทำทานก็ดีเป็นการรักษาศีลก็ดีเป็นการเจริญสติก็ดีเป็นการนั่งสมาธิก็ดีเป็นการเจริญปัญญาก็ดี ก็มีเป้าหมายอยู่ที่การทําใจให้สงบนี่ให้หยุดความอยากต่างๆเสียเช่นเรื่องต้นที่พวกเราทํากันอยู่ในในขณะนี้ก็คือการทําทานการบริจาคแบ่งปันทรัพย์ส่วนหนึ่งแทนที่เราจะเอาทรัพย์ส่วนนี้ไปใช้กับกับความอยากเช่นไปซื้อของที่เราอยากได้หรือไปดูไปฟัง ไปดื่มไปรับประทานไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเราก็เอาทรัพย์อันนี้มาทำทานเอามาทำบุญมาซื้อข้าวของแล้วก็เอามาถวายพระเราจะเอาไปให้คนอื่นก็ได้คนผู้รับนี่ไม่สำคัญสำคัญที่ผู้ให้การกระทนี้เป้าหมายอยู่ที่ผู้ให้มากกว่าผู้รับ คือต้องการให้ผู้ให้หยุดความอยากใช้เงินไปในทางที่ไม่ถูกใช้เงินไปในทางที่จะทําให้เกิดความหิวเกิดความอยากเพิ่มขึ้นเช่นถ้าเราไปเอาเงินก้อนนี้ไปเที่ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็อยากจะไปเที่ยวอีกเพราะมันไม่ได้ทำให้เราเลิอกอยากเที่ยวแต่กลับทําให้เกิดมีความอยากเที่ยวเพิ่มขึ้นมาอีกแต่ถ้าเราเอาเงินก้อนนี้มาทําบุญ ความอยากเที่ยวมันก็จะอ่อนกำลังลงไปแล้วถ้าทุกครั้งเวลาที่เราอยากเที่ยวเราก็เอาเงินไปทำบุญไปทำทานต่อไปเราก็ไม่ต้องเที่ยวก็ได้เพราะว่าเวลาเราทำทานเราก็จะได้ความอิ่มใจได้ความสุขใจขึ้นมาที่ดีกว่าการเอาเงินไปไปเที่ยวอันนี้ก็คือเจตนาลมของการทำทานของการบริจาคครับ ก็เพื่อให้เราหยุดใช้ทรัพย์ไปทาตามความอยากนั่นเองพอเราไม่ได้ทาตามความอยากแล้วความอยากก็จะอ่อนกำลังลงไปเช่นถ้าเราจะเอาทรัพย์ไปซื้อสุรามาดื่มเราไม่เอาไปเราทรัพย์นี้ไปให้ผู้อื่นจะให้ใครก็ได้ให้พ่อให้แม่ให้เพื่อนให้ญาติสนิทนิสัยให้โรงเรียนโรงพยาบาลให้วัดให้อะไรก็ได้ขอให้เราเอาไปให้ เพื่อเราไม่เอาไม่ได้เอาเงินนี้มาซื้อสุรามาดื่มทั้งนี้พอทุกครั้งที่เราต้องการจะดื่มสุราเราก็เอาเงินนี้ไปซื้อของแล้วก็เอาไปให้คนอื่นเรื่องเงินก้อนนี้ไปให้คนอื่นต่อไปเราก็จะไม่ดื่มสุราเราก็จะเริเดื่มสุราได้อันนี้คือเจตนาลมของการทำทานเพื่อให้เราหยุดความอยาก ในการใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆเพราะถ้าเราใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆเราก็ต้องวุ่นวายกับการหาเงินทองอยู่เรื่อยๆเพราะเมื่อเราใช้เงินทองไปแล้วเดี๋ยวมันก็หมดหมดแล้วเราก็ต้องไปหามาใหม่หามาใหม่แล้วก็มาใช้ให้มันหมดอีกแล้วก็ไปหามาอีกก็จะเป็นวัฏจักรแบบนี้เป็นวงจรอุบาท เพราะเวลาใดที่เราไม่สามารถหาเงินหาทองได้เวลานั้นเราก็จะเดือดร้อนเพราะความอยากมันไม่ได้หมดไปกับการไม่มีเงินทองเราก็อาจจะต้องไปทําบาปทํากรรมไปทําอาชีพที่ไม่ถูกกฎหมายก็จะทำให้เราต้องไปเสี่ยงกับการติดคุกติดตารางเสี่ยงกับการที่จะต้อง <c oughs> ไปมีปัญหาไปมีเรื่องราวกับผู้อื่น อันนี้ก็เป็นขั้นแรกที่พวกเราทำกันอยู่ในตอนนี้ก็คือเราทำทานเพื่อหยุดความอยากต่างๆทุกครั้งที่เราอยากจะซื้อของที่ไม่จาเป็นเช่นสุราบุหรีหรือไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆหรือซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ทั้งๆที่เรามีเสื้อผ้าอยู่เต็มตู้แล้วรองเท้าคู่ใหม่กระเป๋าใบใหม่หรือไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ เาเเงินนี้มาทําบุญจะทํากับการกุศลแบบไหนก็ได้ที่เราชอบใจถ้าเราชอบช่วยเด็กก็ทํากับเด็กชอบช่วยคนแก่ก็ทํากับคนแก่ชอบช่วยโรงพยาบาลก็ทํากับโรงพยาบาลชอบช่วยวัดก็ทํากับวัดเลือกทําเอาได้ทั้งนั้นผลอยู่ที่ใจของเราคือทําให้บัญฑร ดูตัดกำลังของความอยากให้มันน้อยลงไปอ่อนลงไปถ้าเราสามารถทำได้ทุกครั้งรับรองได้ว่าต่อไปเราจะอยู่บ้านอย่างมีความสุขไม่ต้องอยู่ไม่ต้องออกนอกบ้านก็ได้เช่อนหยุดสี่วันนี้เราไม่ต้องไปไหนก็ได้อยู่บ้านจิตอยู่เฉยๆไม่อยากออกไปไหนก็จะมีเวลามาเจริญสติได้มีเวลารักษาศีลให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ พอเราจเจริญสติได้มีเวลานั่งสมาธิใจก็จะสงบได้เราก็จะเข้าสู่ความสุขที่ดีกว่าเหนือกว่าจากการออกไปหาความสุขด้วยการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆแล้วเราก็ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางช่วงนี้เดินทางไปไหนมาไหนก็จะมีรถติดยาวไปไหนก็มีคนมากก็ต้องไปแย่งกันชุนละมุน ไปซื้อของก็ไปแย่งกันซื้อไปรับประทานอาหารก็ไปแย่งกันรับประทานอาหารเพราะว่าทุกคนมีวันหยุดวันเดียวกันแล้วก็มีความอยากเหมือนกันก็เราไปที่เดียวกันพอคนหลายหลายคนไปที่เดียวกันก็ต้องเกิดการแต่งแย่งกันขึ้นมาแทนที่จะมีความสุขกับมีความโกลาหุนมีความวุ่นวายใจแทนที่จะมีความสุขกับไม่มีความสุข บางทีก็คิดว่าไม่น่ามาเลยสู้อยู่บ้านดีกว่าแต่อยู่บ้านก็อยู่ไม่ได้เพราะสู้ความอยากไม่ได้เพราะเราไม่เคยทำบุญกันไม่เคยเอาเงินที่เราจะทำตามความอยากนี้มาทำบุญกันถ้าเราทุกครั้งที่เราอยากแล้ว เ, เราเอาเงินที่เราจะใช้กับความอยากนี้มาทำบุญมาทำทานต่อไปความอยากจะ ไปข้างนอกจะไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสไปหาความสุขจากสถานที่ต่างๆนี้จะจางหายไปก็จะทำให้เราอยู่บ้านได้อยู่บ้านเราก็สามารถที่จ ะ, จะเจริญสตินั่งสมาธิได้ฟังเทศฟังธรรมได้ฟังเทศฟังธรรมก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วเราก็จะเอาปัญญาที่เราได้จากการฟังเทศฟังธรรมนี้มาใช้กับการปฏิบัต มาหยุดความอยากคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะมีมากน้อยเพียงไรนั้นก็มีเป้าอยู่ที่ที่จุดเดียวก็คือการทำลายความอยากต่างๆให้หมดจากใจไปเท่านั้นเองดังนั้นเราจึงต้องทำฐานกันทำจากน้อยไปหามากถ้าเราทำแล้วมีความสุขเราก็อยากจะทำเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ จนถึงขีดหนึ่งเราก็อยากจะทำให้หมดเลยมีสมบัติข้าวของเงินทองมากน้อยเป็ไงก็ยกให้คนอื่นไปเลยเพราะต้องการที่จะไปอยู่ตามสถานที่สงบสงัดวิเวกก็คือการออกบวชนั่นเองเพราะถ้าไม่ได้ออกบวชแล้วจะเป็นการยากต่อการที่จะไปอยู่ตามสถานที่วิเวกต่างๆเพราะเป็นคารวะนี้ก็จะ เสี่ยงภัยได้เพราะผู้อื่นเยอะจะคิดว่ามีทรัพย์สมบัติมีอะไรก็อาจจะถูกโจลผู้ร้ายมาคอยจี้คอยต้นได้เวลาไปอยู่ตามสถานที่สงบสงัดห่างไกลจากบ้านเมืองแต่ถ้าบวชเป็นพระแล้วเขาก็รู้แล้วว่าไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรมีเพียงบริขารอยู่แปชิ้นที่เรียกว่าอัฐบริขารเท่านั้นมีบาดอยู่หนึ่งใบ มีผ้าอยู่สามผืนมีประคตเอลหนึ่งอันประคตเอลก็คือเข็มขัดแล้วก็มีใบมิโกนหนึ่งเล่มมีมีด้ากับเข็มหนึ่งชุดแล้วก็มีที่กรองน้ำหนึ่งอันนี่คือสมบัติของพระไปไหนก็จะมีเพียงแค่นี้ก็จะไม่มีใครที่จะมาคิดมาป้นมาจี้ ก็ไม่มีทรัพอะไรที่เขาต้องการนั่นเองเอาบาดไปเขาก็เอาไปทำอะไรไม่ได้เอาไปขายเขาก็รู้ว่าเป็นโจรมาปล่อยขโมยของพระมานี่คือการทาทานสาหรับผู้ที่ต้องการที่จะเข้าหาความสงบไม่ต้องการที่จะใช้เงินใช้ทองหาความสุขทำตามความอยากต่าง ก็จะสละสมบัติเข้าของเงินทองแล้วก็ไปบวชไปอยู่ตามวัดป่าวัดเขาที่อยู่ห่างไกลจากแสงสีเสียงจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะชนิดต่างๆแล้วก็รักษาศีลให้บริสุทธิ์การรักษาศีล น, นี่ก็จะง่ายเพราะถ้าไม่มีความโลภอยากได้เงินทองแล้วก็จะไม่มีปัญหากับเรื่องการรักษาศีล เอตที่คนเราไม่สามารถรักษาศีลกันได้ก็เพราะยังมีความอยากอยากได้เงินทองอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายอยู่พอไม่สามารถหาได้ด้วยวิธีที่ถูกต้องไม่ผิดศีลผิดธรรมก็จะหาโดยวิธีที่ไม่ถูกต้องเช่นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีโกหกหลอกลวงเสพสรารยาเมา แต่ถ้าเราไม่มีความอยากที่จะหาความสุขไม่มีความอยากที่จะหาเงินหาทองเราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปทำบาปทำกรรมตยใดๆเมื่อจิตใจของเราไม่ได้ทำบาปทำกรรมมันก็จะไม่มีความว้าวุ่นขุ่นมัวไม่มีความวิตกกังวลหวาดกลัวกับวิบากกรรมต่างๆที่ได้ทำไว้เพราะไม่ได้ทำอะไรที่เป็นเป็น เป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดผลเสียหายตามมานั่นเองใจก็จะเย็นสบายไปอยู่ในที่เปลี่ยวคนเดียวก็ไม่หวาดกลัวเพราะไม่ได้เป็นไปไปทำบาป ท, ทำกรรมไว้ให้กับใคร <c oughs> ก็จะสามารถอยู่ในสถานที่สงบสง บ, สงบได้ก็จะสามารถเจริญสติได้อย่างต่อเนื่อง พอเรจเริญสติได้ยอย่างต่อเนื่องเวลาร่างสมาธิใจก็จะเข้าสู่ความสงบเวลาเข้าสู่ความสงบก็จะได้เข้าพบกับความความสุขที่ยิ่งใหญ่ก็จะได้ก็จะเห็นว่านี่แหละคือความสุขที่แท้จริงและเป็นสมบัติที่แท้จริงเป็นสิ่งที่ควรจะรักษาไว้ให้ได้เพราะว่าหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วถ้าไม่ควบคุมความอยากความอยากก็จะมา ทำลายความสงบอันนี้ได้มาขมโมยสมบัติอันนี้ได้ดังนั้นเวลาออกจากสมาธิมาแล้วจิตยังมีความสงบอยู่ถ้าถ้าไม่มีความอยากแต่ถ้าเกิดความอยากขึ้นมาแล้วความสงบความสุขนั้นก็จะจางหายไปถ้าอยากจะรักษาความสุข ความสงบที่ได้จากสมาธิหลังจากออกสมาธิมาแล้วจึงจาเป็นต้องใช้ปัญญาคอยสกัดความอยากต่างๆคอยเตือนใจว่าอย่าทำตามความอยากเพราะการได้ทำตามความอยากนี้ได้ความสุขที่ปลอมเป็นความสุขเดียวๆแลยวเป็นความสุขที่จะทำให้ต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่ทำตามความอยากจุดความอยากได้เราก็จะรักษาความ สุขที่ได้จากความสงบต่อไปได้อันนี้คือการใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากนั้นไม่ได้ให้ความสุขอย่างแท้จริงเพราะว่ามันไม่แน่นอนมันไ ม, ม, นไม่มันไม่เที่ยงแท้มันไม่คงเส้นคงวามันไม่เหมือนเดิมเวลาได้อะไรมาใหม่ๆก็มีความสุขแต่พอเวลาผ่านไปสิ่งที่ได้มาก็เริ่มเปลี่ยนไปพอเปลี่ยนไปความสุขที่ได้จากสิ่งนั้นก็ หายไปก็จะได้ความทุกข์เข้ามาแทนที่เช่นของที่ดีเราใช้ใช้มันได้เราก็มีความสุขพอของมันเสียขึ้นมาเราใช้มันไม่ได้เราก็มีความทุกข์นี่คือธรรมชาติของสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เขาเป็นอย่างนี้เขาไม่เที่ยงเขามีเจริญมีเสือ่อมมีเกิดมีดับมีมามีไปมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แล้เราก็ไม่สามารถไปควบคุม บ, บังคับไปสั่งให้เขาไม่เปลี่ยนแปลงไม่ให้ดับไม่ให้หายไม่ให้เสื่อมได้นี่คือธรรมชาติของสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ที่พวกเรามักจะมองข้ามกันไปไม่คิดถึงเหมือนเวลาเราเห็นอะไรที่เราอยากได้เราจะคิดว่ามันจะดีมันจะอยู่กับเราไปตลอดจะให้ความสุขกับเราไปตลอดแต่พอได้มาแล้วความสุขที่ได้มาใหม่ๆไม่นานก็หายไป มีความทุกข์กลับมาแทนที่เช่นความสุขที่ได้จากการมีคู่ครองเวลาที่ยังไม่มีคู่ครองนี่แก ค, คิดว่าโอ้ถ้ามีคู่ครองแล้วจะมีความสุขจะได้ขึ้นสวรรค์ mm hmm. จะได้อยู่กันไปอย่างมีความสุขไปตลอดจนถึงวันสิ้นสุด ข, ของชีวิต mm hmm. อยากที่ไหนได้มอกเข้ายังไม่ทันดําเลยก็อยากกันแล้วก็มี mm hmm. เพราะว่าเมื่อมาอยู่ใกล้กันแล้วเออ่ mm hmm. ก็จะเกิดการเห็นสิ่งต่างๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนอเวลานานๆเจอกันครั้งหนึ่งต่างฝ่ายก็ต่างจะเอาด้านดีมาเสนอกันแต่พอมาอยู่ด้วยกันแล้วมันก็อดไม่ได้ที่จะต้องปล่อยให้ด้านที่ไม่ดีออกมาพอเห็นด้านที่ไม่ดีแล้วก็เลยเกิดความเสียใจเกิดความผิดหวังขึ้นมา เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาก็จะไม่อยากจะอยู่กันต่อไปบางท่านบวชบางบางคู่นี้อยู่ด้วยกันไม่ถึงหกเดือนก็อแยกทางกันแล้วอันนี้คือความไม่เที่ยงนี่เองอ น, นิจจังความทุกข์ที่เกิดจากอานิจจังความทุกข์ที่เกิดจากอนัตตาก็คือเขาไม่ใช่ของเราเขาไม่เขาไม่อยู่ภายใต้คําสั่งของเรา เราไปสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้อันนี้คือปัญญาที่เราควรที่จะสอนใจอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะเวลาที่เราอยากได้อะไรพยายามมองให้เห็นส่วนที่ไม่ดีของสิ่งที่เราอยากได้ถ้าเห็นแล้วเราก็จะไม่อยากได้เช่นอยากจะได้ใครมาเป็นคู่ครองเรงทาทถ้าเกิดเขาตายไปจะทำยังไงถ้าเกิดเขาพิกลพิการไปจะทำยังไง เขาจะให้ความสุขกับเราได้หรือเปล่าถ้าเกิดเขาเป็นบ้าไปอย่างี้จะทำอย่างไรถ้าเกิดเขา أ, เปลี่ยนจากกายจากคนดีมาเป็นคนไม่ดีจะจะเป็นอย่างไรถ้าเราถามปัญหาเหล่านี้แล้วเราจะไม่อยากได้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างนี้มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนจากดีไปเป็นไม่ดีได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะจะเปลี่ยนจากจากการมีกลายเป็นการไม่มีไปก็ได้ อันนี้คือเรื่องที่เราต้องพยายามมองให้เห็นอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะไม่อยากได้อะไรเราจะหยุดความอยากได้พอหยุดความอยากได้แทนที่เราจ ะ, ะมีความทุกข์เรากลับมีความสุขเพราะใจของเราจะสงบจะกลับเข้าสู่ความสงบจะไม่วุ่นวายจะไม่กวนกระวายกระสรับกระส่ายจะไม่มาเศร้าโศกเสียใจกับสิ่งที่ได้มาแล้วต้องเปลี่ยนไปในภายหลัง นี่คือปัญญาที่เราต้องใช้แต่ก่อนที่เราจะใช้ปัญญาได้เราต้องมีความสงบก่อนเพราะเราไม่มีความสงบเราจะไม่รู้ว่าเราหยุดความอยากนี้เพื่ออะไรคนที่ไม่มีสมาธิจึงหยุดความอยากไม่ได้เพราะว่ายังไงยังไงก็ดีกว่าดีกว่าไม่มีอะไรเลยเพราะไม่รู้ว่าการไม่มีความอยากนี้เป็นความสุขเพราะเรายังไม่ได้เข้าสู่จุดนั้นเราอยู่ อยู่อยู่บนจุดของความอยากตลอดเวลาเวลาเกิดความอยากแล้วไม่ได้ทําตามความอยากนี่มันเหมือนตกนรกเนี่ยเช่นอยู่สี่วันนี้ถ้าไม่ได้ออกจากบ้านไปเที่ยวแล้วจะจะเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นเหมือนอยู่ติดติดอยู่ในคุกเนี่ยต้องออกไปกันออกนอกบ้านกันแต่ไม่รู้เรากลับมาก็จะเหมือนเดิมออกไปสี่วันกลับมาอยู่ที่บ้านก็เสื่มเศรา้าเศร้าง่อยเงาเ ง, ง่อยเหมือนเดิมครับ อยากจะออกไปอีกแต่ถ้ายอมทนต่อสู้กับความอยากจนความอยากนี้สลายตัวไปเราจะเห็นกับเราจะเห็นความสงบที่เกิดขึ้นตามมาอันนี้เราไม่เห็นกันเราจึงไม่มีกำลังที่จะสู้กับความอยากได้เราจึงต้องทำใจให้สงบก่อนต้องหยุดความอยากชั่วคราวก่อนด้วยการจเจริญสติควบคุมความคิดควบคุมความอยาก พอจิตไม่คิดไม่อยากแล้วจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้พอเข้าสู่ความสงบแล้วก็จะเห็นคุณค่าของความสงบเห็นโทษของความอยากแล้วเวลาออกจากความสงบมาพอเริ่มเกิดความอยากก็จะได้ใช้ปัญญาสอนใจได้พอสอนใจปั๊บใจก็จะหยุดความอยากตามเพราะไม่อยากจะทุกข์นั่นเองถ้ารู้ว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์อยากจะไปอยากจะทุกข์กันก็หยุดความอยากกัน นี่ยที่มีพระพุทธเจ้ามีพระอรหันต์ก็เพราะท่านมีปัญญาอย่างนี้ท่านถึงเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ได้ส่วนพวกเราที่ยังเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์กันไม่ได้ <the God. Okay. S 1> ก็เพราะว่าเราไม่เห็นเหมือนที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์เห็ น, เ ห, นเห็นกันนั่นเองเรายังเห็นว่าการทํทาตามความอยากอยู่นี้จะให้ความสุขกับเราอยากจะดื่มชาก็ดื่มดื่มแล้วก็มีความสุขแล้วพุวงนี้ก็ต้องมาดื่มใหม่ครับ อยากจะซื้อกระเป๋าใบใหม่ก็ซื้อเดี๋ยวอีกสองสามวันก็อยากจะซื้อเสื้อผ้าอีกชุดหนึ่งอยากจะซื้อรองเท้าอีกคู่หนึ่งก็อยากจะซื้อของไปเรื่อยๆมีเท่าไหร่เงินเงินเท่าไหร่ก็จะไม่พอกับการซื้อบางคนซื้อรองเท้าเป็นพันคู่ไม่รู้ซื้อไปทาไมมีรองเท้ามีเท้าอยู่คู่เดียวแต่มีรองเท้าต้องพันคู่ซื้อเพราะความอยากมีเงินเสอย่างใครจะว่าอย่างไงอยากก็ซื้อ ซื้อแล้วก็ทิ้งมันไว้อย่างนั้นวางมันไว้อย่างนั้นนี่คือเรื่องของความอยากที่เราจะต้องหาวิธีกำจัดมันให้ได้และวิธีที่เราจะกำจัดมันได้ก็คือวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนี่แหละให้กำจัดเงินทองที่จะไปซื้อของต่างๆนี้เอาเงินทองไปทำบุญเสียเอาไปช่วยเหลือคนอื่นเราจะทำให้เราเกิดความสุขใจเกิดความอิ่มใจขึ้นมา เราก็จะทำให้เราไม่ต้องไปทำบาปทำกรรมเพราะคนที่ทำบุญจะเป็นคนใจบุญจะไม่ใช่เป็นคนใจบาปคนไม่ทำบุญน่างหากที่จะเป็นคนใจบาปคนทำบุญนี้เวลาจะทำอะไรจะไม่อยากให้คนอื่นเดือดร้อนก็จะไม่ทำบาปก็จะรักษาศีลได้อย่างง่ายได้พอรักษาศีลได้ก็จะไปปีกวิเวกอยู่คนเดียวได้หาสถานที่สงบได้ไม่หวาดกลัวกับภัยต่าง เพราะไม่ได้ทําบาปทำกรรมไว้กับใครนั่นเองก็จะสามารถจเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องรวดเร็วเข้าสมาธิได้อย่างง่ายดายบรรลุได้อย่างรวดเร็วในสมัยพระพุท ธ, ธการมีคนที่บรรลุกันเป็นจนํานวนมากก็เพราะว่าเขาปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนพระเจ้าทรงนับรับประกันไว้เลยว่าถ้าเราได้ออกบวชแล้วถ้าจเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องแล้ว รับรองไม่เกินเจ็ดปีก็จะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้นี่แหละคือความวิเศษของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าของพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธเจ้าต่อให้เราสร้างบุญบา ร, รมีปฏิบัติธรรมไป อ, อีกล้านหลายล้านปีก็จะไม่มีวันที่จะบรรลุได้เพราะเราขาดแผนที่ขาดผู้นา ที่จะพาให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปได้เราก็จะหลงวนไปเวียนมาอยู่ในป่านี้หาทางออกไม่ได้ป่าที่พวกเรากาลังวนกันเวียนอยู่กันนี้ก็คือป่าแห่งการเกิดแก่เจ็บตายพวกเราที่ตายไปแล้วก็ต้องกลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดใหม่ก็กลับมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่แล้วก็กลับไปเกิดใหม่เวลาตายไปก็ไปรับผลบุญผลบาปก่อน แล้วก็จะกลับมาเกิดใหม่เพราะเราจะไม่รู้ว่าต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดก็คือความอยากนี้เองแล้วเราก็จะไม่รู้วิธีที่จะหยุดความอยากถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสั้มาประกาศพระธรรมคำสอนไม่มีใครจะรู้ได้ไม่มีใครจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยแต่พอมีพระพุทธเจ้ามาตัดสั้มาปรากฏมาสั่งมาสอนแล้ว ก็ปรากฏนี่ผ้าอันั้นต่อขึ้นมาเป็นจํานวนมากเลยอย่างเช่นวันพรุนี้เป็นวันอาสาขบูชาคือวันอะไรก็คือวันที่พระพุทธเจ้า ป, ประกาศพระธรรมคาสอนเป็นครั้งแรกองค์ทรงตัดจะรู้ในวันเพ็ญเดือนหวันวิสาขาบูชาต่อมาสองเดือนคือในตัดสิงห์ไทยที่จะสั่งสอนเอาสิ่งที่พระองค์ทรงรู้คือคือการหยุดความอยาก มาสั่งสอนให้แก่ผู้พอได้ส่งสั่งสอนรับเพียงในเวลาเพียงในระยะเวลาเจ็เดือนเท่านั้นคือตั้งแต่วันเพ็ญเดือนแคือวันทุกนี้จนถึงวันเพ็ญเดือนสามคือวันมาฆบูชาก็ปรากฏมีพระอาหารหันต์อย่างน้อยหนึ่งันสองรหรูปมาเฝ้าพระพุทธเจ้าจากสารทิตต่างๆเพราะอาหารหันต์เหล่านี้เป็นผู้ ได้ยินได้ฟังธรรมจากพระโอษของพระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ฟังธรรมแล้วก็เกิดศรัทธาขอให้พระพุทธเจ้าบวชให้พอบวชแล้วก็แยกย้าย ก, กันไปปฏิบัติแล้วก็บรรลุปเป็นพระอนันต์กันขึ้นมาภายในเวลาเป็นเจเดือนเท่านั้นเองมีพระอนันต์ปรากฏขึ้นมาถึงหนึ่งสองร้รูปก่อนหน้านั้นก่อนที่พระพุทธเจ้าจะประกาศไรทำคําสอนนี้ไม่มีพระอนันต์แม้แต่รูปเดียวเลย เพราะไม่มีใครสามารถที่จะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้โดยไม่มีคําสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นการที่พวกเราได้มาเกิดได้มาพบกับพระพุทธเจ้าพบกับพระธรรมคําสอนนี้จึงเป็นเหมือนกับการถูกลอกเตอรี่รางวัลที่หนตอนนี้เรามีหน้าที่เอาลอ็อกเตอรี่ใบนี้ไปขึ้นรางวัลเท่านั้นเองการขึ้นรางวัลก็คือการ ออกปฏิบัติธรรมเจริญสตินั่งสมาธิจเจริญปัญญารักษาศีลสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองหยุดความอยากที่จะใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขเราหันมาหาความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติถ้าเราทำได้ภายในชาตินี้ไม่เกินเจ็ดปีเราก็จะสามารถคว้ารางวัลที่หนึ่งขึ้นรางวัลที่หนึ่งที่เราที่เราถูกนีได้อย่างแน่นอน เพรมีผู้ที่ได้คว้ารางวัลมามาแล้วแม้ต่ในสมัยปัจจุบันนี้เช่นครูบาอาจารย์ต่างๆที่เราได้ยินกิตติศัพชื่อเสียงของท่านท่านก็เป็นผู้ที่ไปขึ้นารางวัลมาแล้วพวกเราก็เป็นเป็นเหมือนท่านพวกเราก็ถการางวัลที่หนึ่งเหมือนกันหลังตรงที่ว่าพวกเราขี้เกียจไปขึ้นารางวัลกันพวกเรายังอยากจะอทําทอะไรตามความอยากอยู่ยังอยากจะหาความสุข จากการทําความทำตามความอยากอยู่ยังไม่อยากจะไปขึ้นรางวัลกันก็ถ้าเราไม่รีบขึ้นพอเวลาเราตายไปแล้วนี้เราก็จะหมดสิทธิ์กลับมาเกิดครั้งหน้าก็อาจจะไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาอีกต่อไปดังนั้นชาตินี้เป็นชาติที่วิเศษเป็นโอกาสอันเลิศที่พวกเราไม่ควรที่จะปล่อยให้มันหลุดมือไปขอให้พวกเราพยายามทําทางกันให้มากว่า ทำจนถึงขั้นที่เราสามารถเอออกบวชได้พ อ, อบวชได้แล้วเริ่มนับถอยหลังได้เลยว่าไม่เกินเจ็ดปีจะได้ผลอย่างแน่ น, นอนดังนั้นจึงขอฝากเรื่องของการมาทําบุญเพื่อมาสร้างความสงบให้กับใจนี้ให้ท่านได้นําเอาไปพิจิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ที่จะตามมาต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้และต่อไปนี้ก็จะอนุโมทนาให้พอ่อนยะถ า, าวาริวาาปุราปาริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิตโตทินังเฟตานังอุปกาปฏิอิจิตังปฏิตังปุมหังคิ ป, ปามวาสมมิจัตุสพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปณะวะโสยถามณิโชติวระโสยถาสัพพิจิโยวิวาจันตุสัพพโรโขวินัสตุมาเตภวตวันตาโยสุขีทีคาโยโผวะอาภิวะธนสีลิสะลิจังอุทาปจายโนจตารุธรมมวัฏาติ อายุวโนสุขางภาลาท่านที่มาที่หลังที่ต้องการถวายของหรือต้องการมาหยิบหนังสือหรือซีดีก็ขอเชิญเข้ามาได้ ตอนนี้ก็จะมีการถามตอบปัญหาผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือถ้าท่านที่อยู่ที่นี่มีคำถามอยากจะถามก็เชิญถามได้ครับต่อไปเป็นคำถามผ่านทางเฟ e บุ๊กพระอปป า, า, า, าจารย์สุชาติอภิชาโตนะครับคำถามแรกนะครับจากคุณซูซี่นะครับเรียนถามพระอาจารย์ มีเพื่อนหลายคนที่เกิดมาพั่งพร้อมด้วยทรัพย์สินเงินทองแต่ชาตินี้ไม่ชอบทาทานศีลภาวนา<ม>การที่ชาตินี้เกิดมาฐานะดีย่อมเกิดจากทานที่เคยทำมาในอดีตชาติแล้วทำไมชาตินี้ถึงไม่มีนิสัยชอบให้ทานติดมาด้วยและถ้าเขาไม่ทำทานศีลภาวนาในชาตินี้บุญที่ทำมาในชาติก่อ น, อนจะส่งผลถึงชาติต่อๆไปด้วยไหม ขอบพระคุณค่ะคือคนที่มีฐานะร่ำรวยดีนั้นถ้าไม่ชอบทําทานก็แสดงว่าเขาไม่ได้ร่ำรวยเพราะบุญที่เขาเคยทํามาในอดีตเพราะถ้าว่าถ้าเขาเคยทําบุญมาในอดีตก็จะติดนิสัยมาเขาก็จะชอบทําบุญต่อไปดังนั้นการที่จะร่ำรวยนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเกิดจากการทําบุญอย่างเดียว อาจจะเป็นโชคก็ได้โชคที่ได้มาเกิดได้มาอยู่กับคนที่มีฐานะการเงินการทองที่ดีถ้าเป็นคนที่ร่ารวยเพราะว่าบุญแน่ดี<ม>กด็จะติดนิสัยทำบุญมาอย่างเจ้าชายสิทธัตถะตอนที่ท่านมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะมาร่ำมารวยก็เพราะอานิสงส์จากการ ได้เป็นพระเวชสันดอนได้ทาบุญมาอย่างโชคช่วจนติดปณิสัยไม่ยึดติดกับสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆพอถึงเวลาที่จะสละราชสมบัติก็สละได้อย่างง่ายดายอันนี้แหละเรียกว่าได้ได้ร่ำรวยได้ฐานฐานะที่ดีจากการทาบุญนานอดีต ดังนั้นขอให้เราเข้าใจว่ามันมีเหตุปัจจัยหลายอย่างที่ทําให้คนร่ํารวยบางคนร่ำรวยเพราะทําบาปทํากรรมก็มีฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมีอาชีพที่ไม่ชอบเพียงแต่ว่าเป็นอาชีพที่ทํามาค้าขายขึ้นเช่นค้าเป็ดค้าไก่ร่ํารวยเป็นเศรษฐีระดับโลกก็มีอันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาได้ทําบุญมาในอดีต ดังนั้นถ้าเราอยากจะเู่ว่ามันเป็นอนิสงส์ที่เกิดจากการทำบุญมาในอดีตก็ให้ดูว่าเขาชอบทำบุญในปัจจุบันหรือไม่ถ้าเขาไม่ชอบทำบุญเขามีความตนีมีความหวงสมบัตินี่ก็แสดงว่าเขาไม่ได้ร่ารวยเพราะเป็นอนิสงส์ของบุญในอดีตนั่นเองอาจจะเป็นเพราะเขาโชคดีมาเกิดเป็นลูกเศรษฐีหรือโชคดีที่เขาจัดอาชีพที่ทาให้เขาร่าให้รวยขึ้นมา เข้าใจนะคำถามต่อข้อต่อไปจากต่างประเทศนะครับจากคุณเบนจอนนะครับคำถามของดิฉันดิฉันปฏบิบัติบูชาในตอนเช้าตู่ทุกๆุกเช้าอย่างต่อเนื่องวันละหนึ่งชั่วโมงจเจริญสติพุทโธ ท, ทันทีที่ลุกจากที่นอนในวันสำคัญทางศาสนาจำเป็นหรือไม่เจ้าคะที่ดิฉันต้องไปทาบุญที่วัด ในวงเล็บวัดต่างประเทศวัดนี้ไม่ถูกจริตของดีฉันค่ะหลวงตาบอกว่าปฏบิบัติบูชาได้บุญมากจึงขอสอบถามมาเจ้าค่ะก็การทำบุญก็อย่างที่บอกแล้วว่าเราเลือกทำได้ทำกับบุคคลใดก็ได้ได้บุญเหมือนกันถ้าเราทำเพื่อหยุดความอยากใช้เงินทองไปซื้อความสุขต่างๆเราจะทำบุญกับวัดก็ได้ทำบุญกับโรงพยาบาลก็ได้ทาบุญกับเด็กก็ได้ ทำบุญกับใครก็ได้ทั้งนั้นเท่งแต่ว่าเราทำบุญกับใครก็เป็นการส่งเสริมคนนั้นช่วยเหลือคนนั้นให้เขาเจริญก้าวหน้าถ้าเราทำบุญกับวัดเราก็จะช่วยส่งเสริมให้วัดนั้นเขาเจริญก้าวหน้าถ้าเราทำบุญกับโรงพยาบาลก็เราช่วยส่งเสริมให้โรงพยาบาลนั้นเขาเจริญก้าวหน้าดังนั้นก็อยู่ที่ว่าเราอยากจะให้ใครเจริญก้าวหน้า ถ้าเราอยากจะให้วัดเจริญเก้าหน้าเราก็ทำบุญกับวัดถ้าวัดที่เราไม่อยากให้เจริญเก้าหน้าเราก็อย่าไปทำกับวัดนั้นเ <dwelling> ล <ơ> ิก <driveway> ทำกับ <nombreux> <ikka> วัดที่เราอยากจะให้เจริญเก้าหน้าแต่อันนี้เป็นผลพลอยได้ไม่ใช่เป็นผลหลักที่เกิดจากการทำบุญให้ทานผลหลักที่เกิดจากการทำบุญให้ทานก็คือการเอาเงินที่เราจะไปซื้อความสุขไปทําะไรตามความอยากนี้มาทาบุญ เพื่อเราจะได้ลดกำลังของความอยากให้มันน้อยลงไปและให้หมดไปในที่สุดนั่นเองอันนี้เป็นเป้าหมายของการทำบุญเพื่อเราจะได้ออกบวชได้กันเพื่อเราจะได้หยุดหาเงินหาทองกันเพราะเงินทองนี้ไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความทุกข์มากกว่าเขาเรียกว่าเป็นทุกขลาบมีแล้วก็ต้องทุกข์กับการดูแลรักษา แล้วก็ต้องมาทุกกับเวลาที่เวลามันสูญหายไปหมดไปนี่คือเรื่องของการทำบุญให้ทานเราทำเพื่อลดความอยากลดการอยากได้เงินลดการอยากใช้เงินซื้อความสุขต่างๆเพื่อเราจะได้มีเวลาอยู่บ้านหรืออยู่วัดเพื่อจะได้ปฏิบัติธรรมให้เราได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงต่อไป คำถามข้อต่อไปจากผู้ไม่ประสมออกนามนะครับสำหรับบุคคลผู้มีหนี้สินมากไม่สามารถออกบวชได้วงเล็บผู้หญิงค่ะทั้งที่ปรารถนาจะออกปฏิบัติอย่างเดียวแต่มีภาระมากต้องรับผิดชอบทำให้รักษาจิตยากเพราะทำงานจนเหนื่อยพอเวลาจะภาวนาก็เพียควรปฏิบัติอย่างไรคะก็ปฏิบัติเท่าที่จะปฏิบัติได้ ทำได้เท่าไหร่ก็ทําไปเหมือนกับเวลาที่เราขับรถบนท้องถนนถ้ารถมันติดเราก็ต้องไปตามกระแสของรถนั่นแหละรถวิ่งได้เราก็วิ่งรถวิ่งไม่ได้เราก็ต้องรอไปก่อนจนกว่าเราจะขึ้นทางด่วนได้ถ้าเราขึ้นทางด่วนได้เราก็จะวิ่งไปได้อย่างรวดเร็วทางด่วนก็คือการออกบวชแน่แต่ถ้าเรายังเป็นคารวะมีพันธะกรณีต่างๆ เราก็ต้องรับใช้พันธะกรณีเหล่านั้นไปจนกว่ามันจะหมดจนกว่าเราจะปีกตัวออกบวชได้เราก็ต้องทำเท่าที่เราทำได้ข้อสำคัญอย่าไปอยากทำในสิ่งที่เราทำไม่ได้เพราะจะทาให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมาโดยเปล่าประโยชน์โดยใช่เหตุเพราะอยากจะปฏิบัติแต่ไม่ได้ปฏิบัติมันก็มันก็จะทำให้เราเครียดทำให้เราไม่สบายใจ แล้าเราก็ไม่ได้ปฏิบัติอยู่ดีดังนั้นเราต้องยอมรับกับสถานภาพของเราเหมือนกับเรายอมรับกับสถานภาพของรถติดบนท้องถนนเราทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องจะโดนอุเบกขาไปทำใจให้เฉยๆไว้ถึงเวลาไปได้ก็ไปถึงยังเวลา ย, ยังไปไม่ได้ยังจอดอยู่ก็ก็ต้องจอดแล้วเราจะได้ไม่ทุกข์โดยใช่เหตุไม่ต้องเพิ่มความทุกข์ขึ้นมา ความทุกข์ที่มีอยู่แล้วมันก็พอแล้วอย่ามาสร้างความทุกข์ที่เกิดจากความอยากปฏิบัติแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัินี้เลยเสียเวลาไปเปล่าๆทำให้เหนื่อยใจทำให้กัดก่อนจิตใจยิ่งจะทำให้ไม่อยากปฏิบัติไม่มีกำลังที่จะปฏิบัติถ้าเราทำใจเฉยๆไว้ใจเราก็เย็นสบายเรามีเวลาปฏิบัติตอนไหนเราก็ปฏิบัติได้ คนเรามันไม่ได้ยุ่งไปทั้งวันหรอกถ้าเราอยากจะปฏิบัติจริงๆกลัวจะไม่ปฏิบัติซีเวลาที่มีเวลามีเวลาว่างกลวจะไปเปิดทีวีดูกันกลวจะไปเที่ยวกันซีมากกว่าแล้วก็มาอ้างว่าไม่มีเวลาปฏิบัติทำกันหมดแล้วครับคําถามก็มีสองข้อวันนี้สามสามนะมีใครคำถามแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมไหมครับเชิญได้เลยนะครับ ก็ให้เราดูสถานภาพของเราดูกำลังของเราว่าเราทำได้มากน้อยเพียงไรเราก็ทำไปตามกำลังของเราการกระทำนี้เป็นเหตุที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมาการที่อยากจะได้ผลที่มีมากกว่าเหตุนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้ยิ่งไปอยากได้ในผลที่เราไม่สามารถผลิตขึ้นมาได้เราก็จะเครียดเราก็จะทุกข์ไปต่อเปล่าเราจะเกิดความท้อแท้ ไม่มีกำลังจิตกำลังใจที่จะปฏิบัติแต่ถ้าเราปฏิบัติจเจริญเหตุที่เราทําได้แล้วพอใจกับผลที่เราได้รับเราก็จะมีความสุขได้ถึงแม้ว่าจะไม่เป็นผลที่เดิศแต่อย่างใดแต่อย่างน้อยก็ดีกว่าได้ความทุกข์ความเครียดจากความผิดหวังที่ไปอยากในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ ดัง น, นั้นขอให้เรามองสถานภาพของเรามองกําลังของเราว่าตอนนี้เราทําได้มากน้อยเพียงไร <c oughs> ก็พยายามทําไปพยายามรักษาระดับของการปฏิบัติของเราที่เราปฏิบัติได้ไว้ให้คงเส้นไว้ไม่ให้เสือ่อมไม่ให้ถดถอยแล้วก็พยายามเพิ่มปริมาณของการปฏิบัติให้มีมากขึ้นตามกําลังที่เราพอที่จะถูถ่ายไปได้ เช่นเราเคยทำบุญร้อยละสิบช่วงนี้วันเทศกาลเราอาจจะทำเพิ่มเป็นพิเศษเป็นน้อยละยี่สิบร้อยละสามสิบเนทำไปหาวิธีหาอุบายต่างๆหาเหตุที่จะทำใเราได้ทาบุญเพิ่มขึ้นถ้าเราทำบุญเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความอยากก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็จะอยู่บ้านได้มากขึ้นมีเวลาที่จะปฏิบัติได้มากขึ้น เพราะว่าเราได้ลดกำกำลังของความอยากที่จะออกไปเที่ยวข้างนอกให้น้อยลงไปในเบื้องต้นนี้เราต้องทําทานให้มากๆก่อนจนกว่าเราจะทําได้เต็มที่การทําทานนี้ก็เปรียบเหมือนกับการถอนสมอเรือการที่เราจะออกเดินทางให้เรือออกวิ่งได้นี้เรือต้องถอนสมอถ้าเรือยังไม่ถอนสมอเรือจะวิ่งไปไหนมาไหนไม่ได้ การที่เราจะพัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้นจากมนุษย์ไปเป็นเทวดาจากเทวดาไปเป็นพรหมจากพรหมไปเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆเราก็ต้องเริ่มต้นที่การถอนสมอเรือนนี้เองคือเราต้องสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่ใช้สมบัติเงินทองเป็นที่พึ่งเป็นที่สร้างความสุขให้แก่ใจ เพื่อเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลากับการหาเงินเสียเวลากับการรักษาเงินและเสียเวลากับการใช้เงินเราจะได้มีเวลาปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ก็มีเวลาแบบนักบวชนี่เองนักบวชนี่เขาเลิกใช้เงินทองซื้อความสุขแล้วผู้ที่มาบวชในพระพุทธศาสนานี้ต้องสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองหมดเวลาบวชนี้ พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตสมบัติเพียงแปดชิ้นท่านั้นเองคืออัฏฐบริขารอันนี้พอแล้วสําหรับผู้ที่จะต้องการสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบของใจถ้ามีมากกว่านี้ก็จะเป็นอุปสรรคภเป็นเครื่องกรีดขวางในการสร้างความสงบความสุขของใจพระพุทธเจ้าจึงทรงไม่อนุ ญ, ญาตให้พระภิกษุจับต้องเงินทองมีเงินทองเป็นสมบัติของตน แต่ทรงอนุโลมให้ฝากไว้กับศรัทธาญาติโยมคนที่เชื่อใจได้เผื่อจำเป็นจะต้องใช้เงินใช้ทองในในการดูแลรักษาสภาพร่างกายเช่นจีวรไม่พอใช้เจ็บไข้ได้ป่วยต้องเสียเงินทองซื้ออยู่ซื้อยาหามหมออ ะ, อะไรอย่างนี้ก็สรงอนุญาต แต่แม่อนุ ญ, ญาตให้เก็บไว้เองไม่ให้พกพาไปไหนใช้เองให้ฝากไว้กับคนที่เชื่อถือได้ไว้ใจได้เวลามีความจาเป็นจะต้องใช้ก็ก็บอกให้เขาจัดการหามาให้ไม่ต้องไปหาเองไม่ต้องไปซื้อที่ตลาดเองไปชี้ว่าต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้เพียงแต่บอกคนที่เขาถือเงินทองบอกเขาว่า ตอนนี้กาลังขาดแคลนอะไรต้องการอะไรให้เขาไปจัดการให้ความจริงพระไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปอยู่ตามศูนย์การค้าไปตามสถานที่อโคโจรต่างๆเพราะอันนี้ไม่ใช่กิจของพระไม่ใช่หน้าที่ของพระกิจของพระคือให้อยู่ในสถานที่วิเวกสงบสงบัดบาเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเป็นหลัก นี่คือเรื่องของของการออกบวชก่อนจะออกบวชได้ก็ต้องสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองให้ได้การที่จะสละได้ก็ต้องไม่ใช้เงินทองนั่นเองถ้าเรายังต้องใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆเช่นเราหยุดสี่วันเราอยากจะไปเที่ยวเราก็ต้องมีเงินทองถ้าเรายังต้องไปเที่ยวต้องซื้อต้องใช้เงินทอง อย่างนี้เราก็จะสละเงินทองไปไม่ได้เพราะหลังจากที่เราเที่ยวเสร็จกลับมาเราก็เกิดความอยากจะเที่ยวใหมก่ก็จะต้องหาเงินทองมาเพื่อมาเที่ยวใหม่ดังดังนั้นจึงต้องสละเงินทองทุกครั้งที่เราจะเอาเงินทองไปซื้อของไม่จำเป็นพ อ, อไปเที่ยวอย่างนี้ เราก็เอามาบริจาคให้แก่ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากให้กับใครก็ได้กับผู้มีพระคุณก็ได้เช่นเอาเงินไปให้พ่อให้แม่บ้างก็ได้เป็นการทดแทนบุญคุณเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีท่านจะต้องการหรือไม่ไม่สำคัญสำคัญที่ว่าเราต้องการที่จะบริจาคเงินส่วนนี้ไม่ต้องการมีพันธะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินก้อนนี้ เราก็สามารถที่จะทําทําบุญได้หลากหลายวิธีทําด้วยความกตัญญูกตวเวทีทําด้วยความเคารพ บ, บูชาพระคุณเช่นทําบุญกับพระพุทธก็ทําก็สงฆ์ก็ทําบุญกับวัดนี่เองเพื่อที่จะสนับสนุนให้ศาสนานี้จเจริญรุ่งเรืองอยู่คู่ไปกับโลกไปอีกนาอันยาวนานอันนี้ก็ทําได้ แล้วแต่เราจะจะทําเราชอบทําแบบไหนแล้วก็ทําไปทําไปแล้วก็จะหยุดความอยากใช้เงินได้แล้วต่อไปเราก็ไม่ต้องใช้เงินพอเราไม่ต้องใช้เงินเราก็ออกบวดได้จาอนเอาของด่างพอจะช่วยอะไรให้พใจสังขารุเรือ เราไม่ได้ศึกษาทางปริยัตบาลีมามากที่พูดทางนี้มันเป็นคำสามคำสคังขารแปลว่าความคิดผุงแต่ออเบขาแปลว่าใจเป็นกลางใจไม่มีความโลกโกรธดองสักแต่ว่ารู้นเรียกอ่อเบขาญาณก็คือความรู้นั้นถ้าจะให้แปลความสามสามคันนี้รวมกันก็หมายว่า ความรู้ว่าเรามีอุเบกขาแต่อุเบกขากับสังขา น, นี่มันเป็นตัวที่ขัดกันถ้ามีสังขารมันก็จะไม่มีอุเบกขาถ้าจะมีอุเบกขามันก็ต้องไม่มีสังขารเพราะสังขารก็คือความคิดปรุงแต่งถ้ามีความคิดปรุงแต่งใจไม่สงบใจก็จะไม่เป็นอุเบกขาดนี้นก็เลยไม่รู้ว่าความหมายของสังขารอุเบกขาญาณนี้จริงๆมีความหมายว่าอย่างไร ไม่เข้าใจก็ไม่ต้องเข้าใจไม่สำคัญตรงทีเรียนมากเกินไปก็จะเป็นความรู้ท่วงหัวเาตัวไม่รอดครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่นี้ท่านไม่ศึกษาององค์นี้ท่านอ่านหนังสือไม่ออกเสียได้ทั้งแต่ท่านรู้แค่ศีลสมาธิปัญญารู้แค่โลภโกรดหลงแค่นี้พอแล้วทำยังไงกาจัดไอ้ตัวโลภโกรดหลงกำจัดความอยากนี้ให้มันหมดไปเท่านั้นเอง ให้รู้ตายรักอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาให้รู้อริยสัจสี่แค่นี้ก็พอละตอนที่พระเจ้าทรงแสดงธรรมข้างแรกก็ทรงแสดงแค่มรรคอริยสัจสี่ท่านเองพอทรงแสดงเสร็จก็บรรุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาแล้วนั้นอย่าไปรู้มากเลยความรู้ต่างๆเหล่านั้นไม่จําเป็นต่อการปฏิบัติ ดูแล้วนักจะยึดติดกับความรู้คิดว่ารู้รู้มากแต่กิเลสยังเต็มหัวใจอยู่ยังตัดความโลภตัดความโกรธตัดความหลงไม่ได้รู้ไปก็แบบความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดดีๆนี่เหมือนที่มีนิทานในพระไตรปิฎกที่พระเจ้าทรงแหย่พระโพธิลัตโพธิรัตครโพธิลัตเธอนี่ใบลานเปล่าไบลานเปล่า เธออยู่ไปเปล่าๆกินไปเปล่าๆตายเปล่าๆ ไ, ไม่เกิดประโยชน์อะไรความรู้ที่เธอเรียนรู้มาเพราะเธอไม่เอาไปปฏิบัติพระโพธิลัฐนี่เป็นผู้ที่ศึกษาพระธรรมคําสอนของพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอย่างโชคชนรู้หมดรู้คําสอนของพุทธเจ้าหมดแต่พระพุทธเจ้าแทนที่จะชมเชยยกย่องว่าเก่งนะเธอรู้คําสอนทำคําสอนของเราได้หมดกลับว่าแถวนี่เป็นรำไรลานเปล่า เป็นความรู้เปล่าประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะไม่เป็นความรู้ที่นำไปสู่การปฏิบัติไม่เป็นความรู้ที่นำไปสู่การดับความทุกข์หยุดความอยากนั่นเองพอฟังบ่อยๆเข้าพระพุทธเจ้าพูดบ่อยๆเข้าก็กระเทือนใจในที่สุดก็เลยคิดว่าต้องไปแล้วต้องไปปฏิบัติแล้วเพราะว่านี่เป็นการกระตุ้นของพระพุทธเจ้าให้ออกปฏิบัติคือท่านยังติดอยู่ขั้นปริยัต การที่จะบรรลุทำได้นี่ต้องผ่านขั้นปริยัตไปสู่ขั้นปฏิบัติศึกษาแล้วก็เหมือนกับการดูแผนที่พอดูแผนที่เสร็จแล้วก็ต้องออกเดินทางถ้าไม่ออกเดินทางก็จะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางเราเปิดแผนที่นั่งอยู่ที่บ้านดูวัดยานอยู่ตรงไหนวันนี้จะมาวัดยานแต่ไม่ยามออกจากบ้านนั่งดูแต่แผนที่อย่างนี้มันก็มาไม่ถึงวัดยาน ดังนั้นอเราเปิดแผนที่แล้วรู้แล้วว่าทางที่จะมาวัดยา น, นี่มาอย่างไรเราก็ออกเดินทางมาพอเดินทางมาไม่นานก็มาถึงวัดยานจนได้นี่ก็เหมือนการการปฏิบัติการศึกษาก็เป็นการดูแผนที่ว่าจะไปถึงมรรคผลนิพพานได้อย่างไรพอรู้แล้วว่าการจะไปถึงนี่จะต้องปฏิบัติต้องออกปีกวิเวกต้องเดินจงกรมนั่งสมาธิจเจริญสติสมาธิปัญญา ถ้าไม่ไปปฏิบัติมันก็จะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางจะไม่บรรลุมรรคผลนิพพานได้ดังนั้นพอพระเจ้าเตือนอยู่บ่อยๆเขาก็เลยสะดุง้งก็ได้ออกออกไปปฏิบัติไปหาสำนักปฏิบัติพอดีไปเจอสำนักที่มีแต่พระอาหารหันตั้งแต่พระหัวหน้าไปจนถึงสา ม, มเณรเป็นพระอาหารหันต์ทั้งหมดเลย ก็ไปหาเจ้าสํานักเจ้าสํานักนี้ท่านก็มีพรรษาอ่อนกว่าพระปพธิรสท่านก็ปฏิเสธบอกว่าเราเป็นผู้ที่มีพรรษาอ่อนกว่าท่านเราไม่สามารถที่จะยกตนเป็นอาจารย์ของท่านได้ท่านก็เลยไปหาพระรองพระอันดับรองพระอันดับรองก็ตอบเหมือนกันจนไปถึงสัมมาเนนองค์สุดท้ายสัมมาเนนก็ทําท่าว่าจะไม่รับเหมือนกัน พระหัวหน้าท่านกันเลยทักสารรมเณรว่าสามเณรเธอไม่โปรดท่านสักหน่อยเด้อสามเณรก็เลยรับพระโปธธรตีนที่เป็นพระเถระมีปรญสมากนี้มาเป็นลูกศรริษย์นก่อนที่จะอบรมสั่งสอนก็ต้องทดสอบจิตใจก่อนว่ายอมเป็นลูกศิษย์จ ร, ริงหรือไม่จะเชื่อฟังคําสอนของสามเณรที่เป็นอาจารย์หรือไม่ก็เลยเอามาใช้งานต่างๆเอามาให้ล้างกระโถนล้างบาศ ให้กวาดถูกุฏิรั์จีวรให้ทำอะไรต่างๆถึง ก, กลับแก้งบอกให้ลงไปดูลงไปในน้าให้ไปหยิบของในน้า <c oughs> พอเดินลงไปเปรียบครึ่งทางก็บอกว่าไม่เอาละเปลี่ยนใจไม่ต้องเอาละไม่ลองดูทดสอบจิตใจของพระโพธิรัตว่าเ <c oughs> ชื่อฟังหรือไม่เขารกหรือไม่มีความโกรธหรือไม่ พอเห็นว่าท่านไม่มีความโกรธไม่มีอะไรเชื่อฟังทําตามทุกอย่างหรวมนเนรก็เลยสอนธรรมะให้แก่พระโปธิรัฐสอนไปไม่นานาพระโปธิรักก็ได้บรรลุเป็นพาาาระอรหันต์ขึ้นมานี่แหละคือปัญหาของผู้ที่เรียนรู้มากบางทีก็จะยึดติดหลงคิดว่าความรู้ที่ตนเองเรียนรู้มานี่ เป็นความรู้ที่พอเพียงต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วยึงไม่ได้ออกปฏิบัติแล้วก็ข้ามขั้นปฏิบัติไปเป็นขั้นอาจารย์ไปเผยแผ่สั่งสอนแก่ผู้อื่นต่อไปพอสอนไปตัวเองไม่คอยควบคุมจิตใจไม่คอยปฏิบัติพอได้สัมผัสกับลาบส ก, กาละสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสที่ทำให้เกิดการอารมณ์ก็ทนไม่ไหวก็ต้องลาสิกขาไป แล้วก็คงจะเห็นบางพระบางรูปที่มีปัญหามาถที่ต้องลาสิกขาไปก็เพราะว่าท่านไม่ได้ปฏิบัติถึงขั้นที่จะสามารถควบคุมการบาลลุมของท่านได้พอได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสที่ทําให้เกิดการบาลลุมก็ไม่สามารถาระงับดับมันได้วิธีเดียวก็คือต้องลาศิกขาไป นี่เพราะว่าไม่ได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถึงขั้นที่ปลอดภัยนั่นเองแล้วก็ไม่สนใจที่จะปฏิบัติกลับมาสนใจกับการเผยแผ่สั่งสอนผู้อื่นทั้งที่ตนเองยังไม่สามารถอบรมตนเองสั่งสอนตอนเองให้เข้าสู่ความสงบได้อย่างแท้จริงอย่างเต็มที่พอไปสั่งสอนผู้อื่นก็เลยได้รับตังโม รางวัลได้ราบจากการะได้เงินได้ทองได้ข้าวได้ของมาก็เลยกลายเป็นเครื่องมือของความอยากขึ้นมาเรามีเงินทองก็อยากจะซื้อสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากจะไปที่นั่นที่นี่ก็ใช้การเผยแผ่ธรรมะว่าเป็นข้ออ้างว่าจะไปเผยแผ่ธรรมะแต่ความจริงอยากจะไปเที่ยวเสียมากกว่าสมัยนี้มีผู้เผยแผ่ชอบไปเผยแผ่ตามตาม่ตางประเทศกัน ตามป่าตามเขาตามที่ธุระ ก, กันดามไม่ค่อยไปเผยแผ่กันชอบไปเผยแผ่ตามสถานที่ที่เจริญก้าวหน้ามีรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอันนี้ไม่ได้ไปเผยแผ่ธรรมะเป็นการแอบอ้างว่าไปเผยแผ่ธรรมะความจริงอยากจะไปเสพสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนั่นเองจนปรากฏมีข่าวาวให้เห็นอยู่เรื่อยๆ ไปเข้าตามสถานที่ศูนย์การค้าบ้างไปเข้าไปตามร้านอาหารบ้างไปได้ทุกคนทุกแห่งดี๋ยวนี้ไม่มีสถานที่เรียกว่าเป็นอโคจร อ, อีกต่อไป <c oughs> เพราะอยู่ต่างประเทศชาวต่างประเทศเขาไม่รู้เรื่องของพระจะไปเข้าไปที่ไหนเขาก็ไม่สนใจก็คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าอยู่ในเมืองไทยถ้าไปทาแบบนั้นก็คงจะถูก คนถ่ายรูปส่งไปให้หนังโซเิมแน่แน่นอนแล้วผลก็อย่างที่เป็นมาเห็นอยู่เนี่ยคนไปถ่ายรูปเข้ามาเอามาเผยแผร่เดียวไม่กี่วันท่านนั้นเดี๋ยวนี้จากพระก็กลายเป็นพระไปแล้วนี่เป็นเพราะว่าไม่ได้ปฏิบัติจริงหรือถ้าปฏิบัติก็ไม่ถึงขั้นที่จะทำให้กิเลสตายไป อาจจะได้ขั้นสมาธิสมาบัติได้อิทธิฤทธิตาิหารซึ่งเป็นขั้นที่ไม่สามารถที่จะควบคุมทําลายกิเลสตัณหาได้ถ้าจะเข้าถึงขั้นกิเลสตัณหาต้องเข้าสู่ขั้นอริยมรรยผลต้องเข้าสู่ขั้นโสดาบันจกิดาคามีอนาคามีอรหันตนมถึงจะสามารถที่จะทําลายกิเลสตัณหาชนิดต่างๆไปได้หมด ถ้าได้แค่ขั้นสมาธิแล้วก็ออกไปเผยแผ่สั่งสอนก็จะลาบากเวลาที่เผยเวลาออกจากสมาธิมาพอสัมผัสเห็นรูป ก, ก็จะทำให้เกิดการอารมณ์ขึ้นมาได้ถ้าไม่รู้ไม่มีวิธีกับจัดการอารมณ์เหล่านั้นก็จะทนอยู่ไม่ได้หรือได้อยู่ก็อยู่แบบหลบๆซ่อนๆแอบไปมีสัมพันธ์กับคนนั้นคนนี้โดยที่ไม่มีใครรู้ อันนี้ก็เพราะว่าไม่ได้ปฏิบัติเต็มที่ยังไม่บรรลุถ้าเป็นนักศึกษาก็ยังไม่จบมหาลายัยก็ออกไปเป็นครูลแล้วไปสั่งสอนคนอื่นแล้วสั่งสอนก็สอนแบบผิดผิดถูกถูกเพราะตัวเองก็ยังไม่รู้จริงเห็นจริงก็เลยทำให้เสียชื่อของสถาบันก็ว่าอาจารย์ตรงนี้จบมาจากที่ไหนวะสอนไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> นี่แหละนี่เป็นการทำลายศาสนา แต่อยากจะบรรลุบรรุงศาสนาต้องศึกษาปฏิบัติจนถึงขั้นปฏิเวทบรรลุมรรคผลผนิพพานบรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วทีนี้ไปสั่งสอนใครก็ได้สั่งสอนที่ไหนก็ได้สั่งสอนมากน้อยเท่าไหร่ก็ได้จะไม่มีความเสียหายตามมาเช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายที่ท่านได้สั่งสอนสัตโลกมาจนถึงปัจจุบันนี้ตัวท่านไม่มีความเสียหายเลยเพราะท่านมี มีมีธรรมะคุ้มครองจิตใจท่านธรรมะรักษาควบคุมกิเลสตัณหาของท่านไว้ได้ไม่ทำให้ท่านไปทำในสิ่งที่เกิดความเสื่อมเสียต่อพระพาษทาศ า, าสนาแต่กลับทำให้เกิดมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระศ า, าสนาทำให้เกิดคนาให้คนเกิดมีฉันทะวิิยะที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติตาม อันนี้แหละคือวิธีที่เราจะสืบทอดถ่ายทอดพระพุทธศาสนาเราต้องสืบทอดถ่ายทอดด้วยการศึกษาปฏิบัติและปฏิเวก่อนเราต้องบรรลุมรรคผลนิพพานก่อนก่อนที่เราจะไปเผยแผ่สั่งสอนผู้อื่นถ้าเรายังไม่เรียนเรียนไม่จบปริญญาอย่าเพิ่งไปรับอาชีพเป็นครูไปสอนคนคนอื่นสอนไปก็จะทำให้สอนแบบผิดผิดถูกๆู จะแทนที่จะเกิดคุณก็จะเกิดโทษขึ้นมาได้ดัง <Yeah. S 1> นี่แหละเราถ้าเรามีการศึกษามีการปฏิบัติมีการปฏิเวทแล้วจะไม่มีใครมาทำลายพระพุทธศาสนาได้ <Yeah. S 1> สิ่งที่เขาทำลายก็เป็นเพียงเปลือกของพระพุทธศาสนาที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ได้ <Yeah. S 1> เขาทุบสาราทิ้งไปแล้วก็สร้างใหม่ขึ้นมาได้ <Yeah. S 1> เขาทุบเจดีย์ทิ้งไปแล้วก็สร้างมันขึ้นมาได้ พุบพะพระพุทธรูปทิ้งไปแล้วก็สร้างมันใหม่ขึ้นมาได้เพราะของพวกนี้มันมันไม่มีมาก่อนเนี่ยสมัยพระพุทธเจ้ามันไม่มีของพวกนี้อยู่ไม่จําเป็นต้องมีก็ได้ขอให้มีพระพุทธเจ้ามีพระอราหารนันต์ท่านเท่านี้พอแล้วของพวกนี้เป็นของแถมเป็นเหมือนผักชีโรยหนะ้าไม่ใช่เนื้อไม่ใช่เนื้อท่อขอให้เนื้อมีเนื้อท่อดไม่มีผักชีไม่เป็นไรหรอกเยจะมีแต่ผักชีไม่มีเนื้อ กินถักชีมันกินไม่อิ่มนะเดี๋ยวนี้เรามีแต่ผักชีเต็มไปบ้านเต็มบ้านเต็มเมืองหมดฮะมีโบวถมีวิหารมีเจดีย์เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดไปที่ไหนก็มีบวถมีเจดีย์มีศาลามีกุฏิมีอะไรเต็มไปหมดแต่ไม่มีผ้าละหันอยู่เลยเนี่ล่ะก็เป็นเหมือนกับมีแต่ผักชีไม่มีเนื้อนล้เราอย่าไปหลงระเด็จ ตอนนี้พวกเราชาวพุทธหลงประเด็นกันเดี๋ยนี้แฮ่ทำบุญกันสร้างโบสถ์กันสร้างใจดีกันสร้างถาวรวัตถุต่างๆสร้างพระพุทธรูปกันแล้วเป็นไงก็กลายเป็นเครื่องมือของพวกมิจฉาชีพไปพวกมิจฉาชีพก็มาหลอกสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ทองคําอำบอยจากทองคํากันตอนนี้ทองคําไม่รู้หายไปไหนนี่แหละพวกเราชาวพุทธ เลยกลายเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพทั้งหลายโดยไม่รู้สึกตัวเดีย๋ยวนี้มิจฉาชีพที่มาทําลายศาสนานี่มาแบบแยบยล น, นะมาในคาบของผ้าเหลืองแล้วละ่ะเดี๋ยวนี้เพราะเดี๋ยวนี้บวชง่ายอยากจะบวชวันนี้พรุ่งนี้ก็บวชได้แล้วอ้างบวชว่าบวชหน้าสดนี่บวชแล้วก็ไม่เสร็จไปเลยอยู่ต่อไปพอบวชแล้วใครจะมาจับเสรศษได้ถ้าไม่ทําปาราชิก แล้วก็แอบไปอยู่ที่ไหนไม่รู้แล้วก็ผมมาเล่าว่าบรรลุขั้นนู้นขั้นนี้นะ้พอคนไปแทงขวัญถูกก็เลยแห่กันมาใหญ่เลยนี่แหละคือการทําลายศาสนาทําลายด้วยการด้วยชาวพูดเรานี่เองชาวพูดเราก็ไม่สนใจที่จะศึกษากันไม่สนใจที่ปฏิบัติกันพอคนมาบอกว่าเขาเป็นอย่างนั้นเนอยา ง, งนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็เชื่อเขาไป เหมือนคนที่ค้าเพชรแต่ไม่ศึกษาว่าเพชรจริงเป็นยังไงพอไปซื้อเพชรทีไรก็ไปซื้อแต่เพชรปลอมมาทุกทีเพราะตัวเองดูเพชรแท้ไม่เป็นว่าเป็นยังไงเพราะไม่ศึกษาถ้าเราศึกษาเราก็จะรู้ว่าภาพจริงเป็นยังไงภาพปลอมเป็นยังไงพอพระปลอมาปรากฏเราก็จะรู้ทันทีเนี่ยพปลอมที่เราเห็นกันก็คือบวไม่ทันไรก็มาเป็นอาจารย์กันแล้ว ปวดได้พรรษาสองพรรษาก็มาเป็นอาจารย์กันละเนี่ยพระดังๆทุกวันเนี้ยพรรษาไม่ถึงยี่สิบห้าบ้างหกบ้างเจ็ดบ้างสิบบ้างเนี่ยแต่พระแท้นี่ท่านก่อจะมาเป็นอาจารย์มารู้จาราวนู้นท่านสามสิบสี่สิบพรรษาไป น, นู่นถ้าไม่หิวอ่ะถ้าไม่ได้หิวกับการที่จะเป็นครูเป็นอาจารย์ถ้าไม่ได้หิวกับชื่อเสียงโด่งดังไม่ได้หิวกับพระราบรา บ, ราบส ก, การะต่างๆ ท่านอิ่มใจขอนท่านสง บ, บใจของท่านพอไม่ต้องการอะไรคนต้องไปคน้นคอหาท่านเองต่างหากไปค้นเจอก็ตอนที่ท่านจะเข้าเข้านิพพานแล้วสมัย น, นี้หลวงปู่ปูบายะครับ <laughs> แล้วก็ชอบมีฉายาต่างๆพิเศษ <c oughs> มันได้เท่ถ้ามีชื่อเหมือน <c oughs> เหมือนพระธรรมดาแล้วมันไม่เท่ <c oughs> มันต้องขั้งสมญาต่างๆขึ้นมา เป็นหลวงปู่บ้างอ่ะบวชยังไม่ได้กี่พรรษามาเป็นหลวงปู่แล้วหลวงปู่ที่อยู่สมุทรสาครก็สึกไปแล้วเนี่ยบวชเป็นเนนมาก็ตั้งตั้งตเนเองว่าเป็นหลวงปู่แล้วว่าละลึกชาติได้ชาติก่อนเคยเป็นหลวงปู่มาอะไรขอใช้ชาติก่อนมาเป็น <laughs> เป็นคุณสมบัติสำหรับการสมัครงานบางคนก็้าว่าชาติก่อนกัเยเป็นสามีภรรยากันมาขอเป็นสามีภรรยากันต่อมันคนละชาตินะมันใช้กันไม่ได้นะดังนั้นขอให้พวกเรายึดหลัก ปริยัตปฏิบัติปฏิเวทนะถ้าเราอยากจะรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่กับโลกไปนานๆให้มีคุณภาพต้องผลิตพระอริยาสาวกขึ้นมาให้มากๆเพราะพระอริยาสาวกท่านน่ะผู้ที่จะสั่งสอนนำคาสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแพร่ให้แก่ผู้อื่นได้อย่างถูกต้องแม่นอย่างไม่มีการท่าเคลื่อนถ้าไม่ได้ปฏิบัติแล้ว ศึกษาอย่างเดียวนี้ก็จะไม่ได้ของจริงเพราะศึกษาไปแล้วก็จะคาดกระเนเหมือนกับการที่เราได้อ่านถึงสถานที่ใดสถานที่หนึ่งที่เรายังไม่เคยไปพอเราอ่านแล้วเราก็วาดภาพไปว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้เรายังไม่ทันไปเราก็ไปบอกคนเห่นว่าที่ที่ตรงนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเข้าไปถึงตรงนั้นเขาก็บอกมันไม่เป็นเหมือนอย่างที่เขาพูดเลยก็เพราะว่าการ การเพียงแต่คาดคะเนี่ไม่ได้เป็นการเห็นของจริงนั่นเองการศึกษานี่ก็ยังไม่ได้เห็นของจริงต้องปฏิบัติเท่านั้นตังจะเห็นว่าความสงบเป็นยังไงมันดียังไงมันสุขยังไงความอยากนี่มันเป็นโทษอย่างไรมันทำให้เกิดความทุกข์อย่างไรถ้าไม่ถ้าไม่ปฏิบัติจะไม่รู้จะไม่เห็นก็จะไม่กล้าจะหยุดความอยากเพราะเสียดายความอยาก มีความอยากว่ามั น, ม, นมันได้เที่ยวอย่างนี้มันมันกว่าอยู่บ้าน เ, ยเฉยๆแต่ถ้านั่งทําใจให้สงบได้แล้วมันจะไม่อยากเที่ยวมันอยากจะอยู่บ้านมันก็หยุดความอยากได้ถอนความอยากได้อาจารย์ครับขอขยายข้อนะสืบเนื่องจาบที่อาจารย์พูดถึงเรื่องการสร้างเสรีาพคณะอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอดีเปนมีแบบเหมือนเป็น คำเชื่อคำกล่าวว่าแบบเที่อสร้างเจดีแล้วจะได้กุศลแรงจะได้ปิดอบายได้เลยจริงๆไม่จริงอ่ะไม่จริงก็ปิดอบาย น, นะก็เฉพาะการเป็นโรคอุตสาหอย่างเดียวถูกไหมครับคือปิดอบายก็ต้องรักษาศีลห้าให้ได้นะไม่ทําบาปก็มีพระโสดาบันนั้นนั่ะที่จะสามารถรักษาศีลห้าได้โดยบริสุโดย ต, ตลอดเวลาตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไป ครับผมอย่างนี้ที่เขาบอกว่าไปอินเดียแล้วจะปิดอบายได้หนึ่งชาอะไลต้นไม่ใช่จริงเป็นเพียงเก้าเป็นเก้าแรกที่จะนําไปสู่การปิดอบายคือจะทําให้เกิดศรัทธาเ ช, ชื่อว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงเมื่อเชื่อแล้วก็จะเกิดศรัทธาที่จะศึกษาปฏิบัติพอพศึกษาแล้วปฏิบัติก็จะบรรลุเป็นพระอริยสงฆ์สาวก ข, ขึ้นมานก็จะปิดอบายได้ไม่ใช่ว่าเพียงแต่ไปอินเดียแล้วจะปิดได้เลย มันมาที่นี้ก็ปิดไม่ได้มาที่นี้แล้วก็ต้องกลับไปปฏิบัติต่อถ้าปฏิบัติจนบรรลุเป็นพระโสดาบันได้ก็จะปิดอบายไดเพราะพระโสดาบันนี้จะรักษาศีลนี้กับชีวิตท่านไม่เสียดายชีวิตเพราะท่านเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวท่านร่างกายนี้จะทำบาปหรือไม่ทำบาปล้วก็ต้องตายอยู่ดีแต่ผู้ที่ทำบาปนี่คือใจจะต้องไปไปใช้กัดในอบายต่อไป ถ้าเห็นชัดเหมือนกับเราเห็นว่าถ้าทํำปิดกัหมายนี่ต้องติดคุกแน่นอนก็เราก็จะไม่กล้าทำกันแต่คนสมัยนี้เขาเก่งเขามีวิธีไม่ติดคุกได้ก็ เ, เลยกล้าทํากัน <c oughs> <c oughs> อันนั้นก็ช่วยไม่ได้แต่อบายนี่ไม่มีวิธีกั้นได้ถ้าทําบาปแล้วต้องไปแ น, น่ๆเงินก็ดับเงินก็ปิดไม่ได้มีวิธีเดียวก็คือต้องไม่ทําบาปเท่านั้นเองต้องรักษาศีลให้ได้ และการจะรักษาศีลได้ก็ต้องรู้ว่าร่างกายที่เรารักษายัางไงก็รักษาไปไม่ได้มันยังไงก็ต้องตายอยู่ดีดงนั้นการที่จะไปทำบาเพื่อรักษาร่างกายนี้จึงเป็นวิธีที่ผักให้เราไ ป, ไปใช้กรรมในอบายสู้ยอมปล่อยให้ร่างกายตายไปดีกว่าแล้วเราไม่ทำบาเราก็จะได้ไม่ต้องไปใช้กรรมในอบายต่อไปเนี่ยพระสวดาบานท่านเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวของท่าน เห็นว่ามันจะต้องตายท่านก็เลยไม่ต้องไปรักษาเมันเวลาอดข้าวอดประอดยาขาดแคนก็ไม่ไปรักขโมยไม่ไปทําบาปเพื่อที่จะหาอาหารหายามารักษาร่างกายถ้าจะหาก็หาโดยวิธีไม่ทําบาปถ้าหาไม่ได้ก็ก็ปล่อยให้มันตายไปรักษาก็ตายอยู่ดีไม่รักษาก็ตายอยู่ดีช้าหรือเร็วเท่านั้นเองแต่ทาบาปแล้วต้องไปใช้กรรมในอบาย ถ้าไม่ทำบาป ก, ก็ไม่ต้องไปใช้กรรมแน่ต่อ เ, เอาล่ะนะ่ <c oughs> เขาลบลวนแล้วเสียมากเลยถึงเวลาไว้บนหน้าอยมาต่อ <c oughs> <c oughs>